พุทธานุญาตให้ระงับอธิกรณ์ด้วยตินนวัฏฐารกัพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุบาทหมางทะเลาะวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงละเมิด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 ถ้าพวกเราจะปรับอาบัตเหล่านี้กันและกันบางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายกาจเพื่อความแตกกันก็ได้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็นป่านี้ด้วยตินวัฏฐาระกะ